อันเชิญพระวจนะหัวข้อที่เบื้องพระบาทพระเยซูพระวจนะที่มาถึงเราทั้งหลายในเช้าวันนี้ปรากฏอยู่ในลูกาบทที่สิบเจ็ดข้อสิบเอ็ดถึงสิบเก้าความว่าเมื่อพระองค์กำลังเสด็จไปยังกรุงเยรูซาเล็มพระองค์จึงเสด็จเลียบระหว่างแคว้นสมาเลียและกาลิลีเมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีคนโรคเรื้อนสิบคนมาหาพระองค์ยืนอยู่แต่ไกลและส่งเสียงร้องว่า เยซูนายเจ้าข้าโปรดได้เมตตาข้าพเจ้าทั้งหลายเถิดเมื่อพระองค์ทรงเห็นแล้วจึงตรัสกับเขาว่าจงไปสําแดงตัวแก่ปุโรหิตเถิดเมื่อกําลังเดินไปเขาทั้งหลายก็หายสาหัสฝ่ายคนหนึ่งในพวกนั้นเมื่อเห็นว่าตัวหายโรคแล้วจึงกลับมาสรรเสริญพระเจ้าด้วยเสียงดังและกราบลงที่พระบาทของพระเยซูโมทนาพระคุณของพระองค์คนนั้นเป็นชาวสมาเรีย ฝ่ายพระเยซูตรัสว่ามีสิบคนหายสะอาดมิใช่หรือแต่เก้าคนนั้นอยู่ที่ไหนไม่เห็นผู้ใดกลับมาสรรเสริญพระเจ้าเว้นไว้แต่คนต่างชาติคนนี้แล้วพระองค์ตรัสกับคนนั้นว่าจงลุกขึ้นเถิดความเชื่อของเจ้าได้กระทําให้ตัวเจ้าหายปกติ มีชายคนหนึ่งเขาได้มีโอกาสมาพบกับสิทธิพิบาลแล้วก็บ่นกับสิทธิพิบาลว่าชีวิตของผมนี่มันแย่เหลือเกินห้องหนึ่งต้องนอนกันอยู่ตั้งเก้าคนผมไม่รู้ว่าจะทำยังไงสิทธิพิบาลก็เลยเสนอแนะว่ากลับบ้านไปแล้วก็ไปเอาแพะมาตัวหนึ่งแล้วก็ให้เอาแพะตัวเนี้เข้าไปอยู่ในห้องด้วย คนนั้นเมื่อได้ยินสิ่งที่ศิษย์พิบาลบอกก็งงสิษย์พีอย่างลองดูกลับบ้านไปไปเอาแพเข้าไปอยู่ด้วยอีกตัวหนึง่งเขาก็เมื่อศิษย์พิบาลขยันขยอยว่าให้ลองดูเขาก็เชื่อฝังก็กลับบ้านไปก็ไปเอาแพเข้าไปอยู่ในห้องด้วยสิษย์พิบาลบอกว่าเอาแพไปอยู่ในห้องด้วยนะแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้ากลับมาเจอกันเขาก็แพกลับไปอยู่ในห้องด้วย แล้วก็อาทิตย์หน้าเขาก็กลับมาเจอกับสิยพิบาลอีกคราวนี้มาแล้วหน้าตายแย่กว่าเดิมแล้วก็บอกกับสิยพิบาลว่าพวกเราสุดจะทนแพะตัวนี้มันเหม็นมากผมไม่รู้จะทำยังไงมันเหม็นแล้วมันก็ส ก, กปรกที่สุดสิยพิบาลก็เลยบอกว่างั้นก็กลับบ้านไปเอาแพะตัวนั้นเนี่ยออกแล้วอาทิตย์หน้ามาเจอกัน คนนี้ก็กลับบ้านไปเอาแพะออกอาทิตย์หน้ากลับมาหาศิทยาพิบาลเขาบอกว่าชีวิตเมื่อมาเจอสิ่งนี้เขาชีวิตนี่มันทั้งสวยงามเหลือเกินตั้งแต่เอาแพะเนี่ยนาทีที่เอาแพะออกจากบ้านไปออกจากห้องไปเนี่ยเรามีความสุขที่เหลือกันอยู่แค่เก้าคนการดำเนินชีวิตทุกวันของเราอะค่ะบางครั้งเนี่ยเรารู้สึกว่ามันแย่ ในการดําเนินชีวิตรู้สึกน่าเบื่อปัญหาที่มันเข้ามามันก็หรือความยุ่งยากใจที่เกิดขึ้นรวมถึงความคิดของเราเองบางครั้งเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะออกจากสถานการณ์ที่เราเป็นอยู่เพราะว่ารู้สึกว่าเราไม่พึงพอใจเราไม่ชอบหลายครั้งเราคิดว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดมาจากปัจจัยภายนอกแต่หลายครั้งถ้าเรามีโอกาสได้พิจารณาดีๆเราจะรู้ว่าบางทีปัญหา ไม่ได้อยู่ที่สถานการณ์ที่อยู่รอบๆตัวเราปัญหาอาจจะอยู่ที่ตัวเราก็ได้และถ้าเราเปลี่ยนแปลงชีวิตและทำทำการบ้านทำการดูแลชีวิตภายในของเราเราก็อาจจะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นรอบๆตัวเราก็ได้การเรียนดูที่จะมีความชื่นชมยินดีและรู้สึกขอบคุณพระเจ้าในทุกๆวัน ที่เป็นวันธรรมดาของชีวิตก็เป็นสิ่งที่เราน่าจะขอบคุณพระเจ้าวันนี้ครับพรเจ้ายกเรื่องราวของชายที่เป็นโรคเรื้อนสิบคนสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาก็เกิดขึ้นในวันธรรมดาวันที่เขาก็อยู่ด้วยกันกับคนที่เป็นโรคเรื้อนอยู่ในค่ายเดียวกันแต่สิ่งที่เป็นวันธรรมดาก็มีความไม่ธรรมดาเกิดขึ้นในวันนั้น ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนว่าในบริบทของคนโรคเรื้อนสําหรับคนยิวนั้นเนี่ยโรคเรื้อนถือว่าเป็นโรคที่ร้ายแรงแล้วก็มีการบัญญัติกฎหมายและรายละเอียดเอาไว้อย่างชัดเจนว่าถ้าเกิดมีคนที่เป็นโรคเรื้อนเกิดขึ้นในชุมชนหรือในสังคมคนยิวเขาจําเป็นจะต้องจัดการอย่างไรในเลวีนิติบทที่13แล้วก็สิตลอดทั้งสองบท อธิบายเรื่องของลักษณะของโรคความร้ายแรงของโรคที่เกิดขึ้นแล้วก็การจัดการการรักษาจนกระทั่งสะอาดสำหรับโรคเรือนนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นโรคผิวหนังชนิดหนึ่งเดี๋ยวนี้เราก็อาจจะไม่ได้พบเจออยู่ทั่วๆไปนะคะก็เป็นโรคผิวหนังที่อาจจะเกิดอาการบวมที่ผิวหนังมีความผุพองมีรอยด่างเกิดขึ้นที่ผิวหนัง นะคะแล้วก็ถ้าเกิดโรคเนี่ยมีความรุนแรงมันก็จะกินเข้าไปถึงในเนื้อด้วยนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยอาการต่างๆเหล่านีน้ในกฎของคนยิวก็จะต้องให้ปุโรหิตเนี่ยเป็นผู้ตรวจถ้าปุโรหิตตรวจแล้วแล้วประกาศว่าคนเนี้ยเป็นโรคผิวหนังแต่ถ้าเกิดมันยังไม่ได้รุนแรงก็จะให้กักบริเวณเอาไว้เจ็ดวันนะคะแล้วก็ถ้าเกิด เจ็ดวันเนี่ยร่างกายมาตรวจอีกครั้งหนึ่งแล้วสะอาดก็สามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติแต่ถ้าเกิดโรคเนี่ยรุนแรงมากก็จะต้องถูกขับออกจาก่ายไปสวมเสื้อผ้า ข, ดขาดๆปล่อยผมแล้วก็จะมีผ้าปิดปากเอาไว้เพื่อและจะต้องบอกตัวร้องบอกว่ามนทินมนทินมนทินเพื่อคนที่อยู่รอบๆข้างเขาจะได้รู้ว่าเขาเนี่ยเป็นโรคเรื้อนจะได้ไม่เข้าใกล้ เพราะว่าเนื่องจากมันมีการแพร่กระจายของโรคได้ง่ายฉันเขาจะต้องบอกตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าเขาเป็นมนทินตลอดจนกว่าโรคของเขาเนี่ยจะหายแล้วก็จะต้องออกไปอยู่นอกค่ายออกจากสังคมออกจากครอบครัวแล้วก็ไปอยู่รวมกันกันกบคนที่เป็นโรคเรื้อนเหมือนกันภายนอกค่าย ในพระธรรมลูกาบทที่17ข้อที่11ถึงข้อที่19เนี่ยก็พูดถึงคนโรคเรื้อน10คนที่ไปอาศัยอยู่นอกค่ายบริเวณรอยต่อระหว่างสมาเรียกับกาลิลีคนทั้ง10คนเนี่ยถูกตัดขาดออกจากชุมชนด้วยโรคที่เกิดขึ้นถ้าเรานึกถึงเวลาที่เราเจ็บป่วยไม่สบายอะค่ะสิ่งที่เราต้องการที่สุดเนี่ยคือคนที่เป็นคนในครอบครัวที่จะอยู่ใกล้ชิดกันแต่สาหรับเขาเองเนี่ยเขาต้องถูกตัดขาด ไม่ใช่เฉพาะตัดขาดจากครอบครัวเท่านั้นเขาต้องถูกตัดขาดจากการาสังคมและรวมถึงกิจกรรมต่างๆทางศาง ส, สนากลายเป็นคนที่ต้องบอกตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าเราเป็นคนที่ไม่สะอาดเราเป็นคนที่เป็นมนทินฉันความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขาเนี่ยมันไม่ใช่แค่ทุกข์จากโรคเท่านั้น หลายครั้งเวลาที่เรามีความเจ็บป่วยเกิดขึ้นยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่เราอาจจะเป็นโรคที่ต้องมีเวลาในการรักษาเนี่ยบางครั้งมันมีความหดหู่ในจิตใจแต่คนที่อยู่รอบข้างที่เป็นคนในครอบครัวเนี่ยก็คงพอช่วยได้แต่เมื่อต้องมีความหดหู่ในจิตใจแล้วก็ต้องถูกตัดขาดจากครอบครัวแล้วไปอยู่โดยลำพังเนี่ยฉันความโดดเดี่ยวทางจิตใจเนี่ยก็มีก็มีความดุนแรงมากเหมือนกันในและ ในพระคัมภีร์บันทึกว่าในค่ายของคนโรคเรือ น, เ, นเขาไม่ได้อยู่กันเฉพาะคนยิวคนสมาเรียก็อยู่ปะปนกันไปและยิ่งไปอยู่ในบริเวณขอบที่เป็นแควนสมาเรียและก็แวนกาลิลีถ้าเราพอจะมีความรู้สำหรับคนยิวอยู่บ้างเราก็จะพอรู้ว่าคนยิวกับคนสมาเรี ย, เ, ยเขาไม่ค่อยจะถูกกัน เพราะด้วยความที่คนยิวจะมองว่าคนสมาเรียเนี่ยเป็นเชื้อสายที่ ป, ป่ปนเป็นเชื้อสายที่ไม่บริสุทธิ์ก็ไม่อยากจะมีปฏิสัมพันธ์ด้วยรวมถึงการที่จะต้องอยู่อาศัยด้วยกันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แย่ yeah! เป็นสิ่งที่เขาไม่กระทำกันสำหรับคนยิวฉนั้นคนยิวเองที่เป็นโรคเรื้อนมีความเจ็บปวดทางจิตใจอยู่แล้วและ ต้องไปอยู่กับคนสมาเรียด้วยมันคือความตกต่ำที่สุดของชีวิตและแล้ววันหนึ่งคนกลุ่มนี้ก็ดำเนินชีวิตโดยทั่วๆไปและวันหนึ่งก็มีคนกลุ่มหนึ่งเดินผ่านมาในบริเวณที่เขาอาศัยอยู่เราก็น่าจะพอสันนิษฐานได้ว่าพื้นที่ที่คนโรคเรือนอยู่เนี่ยก็คงไม่ค่อยจะมีนักเดินทางเดินผ่านมาเท่าไหร่เพราะมันเป็นที่ที่ไม่สะอาด และอยู่อยู่วันหนึ่งเนี่ยมันมีคนกลุ่มหนึ่งเดินผ่านเขามาและคนกลุ่มนั้นเนี่ยเมื่อเดินผ่านเมื่อพระเยซูและก็สาวกเนี่ยที่กําลังจะเดินทางไปเยรูซาเล็มเดินผ่านมาทางสมาเรียเรียบมาทางแคว้นสมาเรียและแควนกาลิลีคนโรคเรือนก็มองเห็นแล้วสิ่งหนึ่งคือคนโรคเรือนกลุ่มนี้เนี่ยก็น่าจะเคยรู้จักกิตติศัพท์ของพระเยซูอยู่บ้างเพราะว่าเขาสามารถร้องเรียกชื่อได้ถูก และเขาก็ขอพระเยซูมีเมตตาต่อเขากิตติศัพที่เขาเคยได้ยินก็น่าจะเป็นกิตติศัพที่บอกว่าคนคนนี้เนี่ยหรือคนกลุ่มนี้เนี่ยเขารักษาคนโรคเขารักษาคนตาบอดให้หายได้เขารักษาคนได้ตั้งมากมายเราเองเนี่ยก็ป่วยอยู่เราก็ต้องขอพระเมตตาและในระหว่างที่พระเยซูเดินมาอยู่แต่ไกลเขาก็ตะโกนเรียก และบอกว่าเยซูนายเจ้าค่าโปรดได้เมตตาข้าพระเจ้าทั้งหลายเถิดพระเยซูก็เห็นคนกลุ่มนี้อยู่แต่ไกลเช่นกันและสิ่งที่พระเยซูตอบสนองคนกลุ่มนี้ก็คือจงไปสําแดงตัวแก่ปุโรหิตเถิดพระเยซูพูดเพียงเท่านั้นพระเยซูไม่ได้เดินเข้าไปใกล้และไม่ได้พูดประโยคอื่น นอกจากว่าจงไปสําแดงตัวแก่บโบโรหิตเถอะและในระหว่างทางที่เขากําลังเดินไปนั้นเขาก็พบว่าร่างกายของเขาคนโรคเงินก็พบว่าโรคที่เขาเป็นอยู่ร่างกายของเขามันสะอาดร่างกายของเขาสะอาดขึ้นในพระคัมภีร์บันทึกว่ามีคนเพียงแค่หนึ่งคนเท่านั้นที่กลับไปหาพระเยซูเกิดอะไรขึ้นกับเก้าคนที่เหลือ ข้อสันนิษฐานที่หนึ่งเก้าคนที่เหลือเนี่ยเขาอาจจะคิดก็ได้ว่าการที่เขาหายโรคเนี่ยมันอาจจะร่างกายของเขาอาจจะกำลังจะหายอยู่แล้วก็ได้มันอาจจะเป็นแค่เรื่องบังเอิญก็ได้เมื่อเขาไปเจอกับปโดโหิตแล้วปโรโหิตบอกว่าเขาหายแล้วมันอาจจะเป็นเพียงแค่เรื่องบังเอิญก็ได้ เพราะว่าพระเยซูเนี่ยอยู่แต่ไกลพระเยซูไม่ได้เดินเข้ามาใกล้เขาเลยไม่แม้กระทั่งทำการรักษาโดยการแตะเนื้อต้องตัวเขา <ME> เขาจะรู้ได้ยังไงว่าพระเยซูเนี่ยเป็นคนรักษาเขาจริงๆ <ME> การรักษาและการทำงานของพระเจ้าในชีวิตของมนุษย์แต่ละคนบ่อยครั้งเวลาที่เราอธิษฐานบางครั้งเวลาที่เราขอจากพระเจ้า เราภาวนาอธิษฐานขอการช่วยเหลือจากพระเจ้าโดยที่เรามีอาการกะเกณเอาไว้ว่าถ้าพระเจ้าจะช่วยเหลือเราขอพระองค์ทรงช่วยเหลือเราแบบนั้นแบบนี้การช่วยเหลืออาจจะเข้ามาถึงในชีวิตของเราโดยสถานการณ์มันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปบางครั้งปัญหามันอาจจะถูกคลี่คลายไปและเราก็อาจจะลืมไปแล้วก็ได้ว่ารเราเคยอธิษฐานขอการช่วยเหลือจากพระเจ้า เพราะว่าการทำงานของพระเจ้าในชีวิตของเราบางครั้งไม่ได้มาในแบบวิธีที่มหัศจรรย์มันอาจจะมาในวิธีที่ธรรมดาธรรมดาและเราก็อาจจะคิดว่าสิ่งเหล่านั้นมันอาจจะเกิดขึ้นด้วยความบังเอิญก็ได้เราไม่เห็นว่าพระเยซูคริสช่วยอะไรเราไม่ได้เห็นว่าพระเจ้าช่วยอะไรเราจริงๆริงหนึ่งคนในบทที่สองข้อที่9กากล่าวว่าสิ่งที่ตาไม่เห็นหูไม่ได้ยิน และสิ่งที่มนุษย์คาดไม่ถึงคือสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้สำหรับคนที่รักพระองค์ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้ามันตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไว้วางใจตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์สนิทพระเจ้าไม่จำเป็นต้องตอบคำตอบคาอธิษฐานของเราในแบบที่เรากะเกณเอาไว้หรือในแบบที่เราต้องการแต่พระเจ้า จะทรงช่วยเหลือเราและทำงานในชีวิตของเราแบบที่พระเจ้าเห็นว่าเหมาะสมสำหรับเราและความสัมพันธ์สนิทของเรากับพระเจ้าการที่เรามีชีวิตที่ใกล้ชิดกันกับพระเจ้าเราถึงจะเรียนรู้ได้ว่าชีวิตของเราไม่มีคำว่าบังเอิญพระเจ้าทรงทำงานในชีวิตของเราเสมอทุกทุกวันทุกทุกเวลาในความเป็นจริงแค่เรายังหายใจได้ แค่เราหายใจได้ก็เป็นนามพระทัยของพระเจ้าหากเราตระหนักว่าแค่ลมหายใจของเราการที่เรายังเดินได้ยังพูดได้ยังทำงานได้ยังมีอาหารรับประทานในแต่ละวันก็ล้วนแต่เป็นพระคุณของพระเจ้าเราจะเรียนรู้ที่จะสำนึกในพระคุณของพระเจ้าอยู่เสมอและเรียนรู้ที่จะขอบคุณพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาโดยที่ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีอะไรที่มันมหัศจรรย์พันหรืกเกิดขึ้นในชีวิตของเรา ข้อสันนิษฐานที่สองที่อาจจะเกิดขึ้นกับเก้าคนนั้นก็คือเขาอาจจะหลงอยู่ในพระคุณคนยิวเก้าคนที่ได้รับการรักษาโรคจากพระเจ้าเมื่อเขาไปสัมดงตัวกับปุโรหิตแล้วปุโรหิตยืนยันว่าเขาหายดีถามว่าคนที่เป็นโรคคนที่ถูกตัดขาดจากชีวิต ทั้งหมดของเขาและเมื่อปุโรหิตยืนยันว่าเขาหายโรคแล้วมันเป็นความตื่นเต้นที่เกิดขึ้นมันนึกถึงครอบครัวเราอยากกลับไปหาครอบครัวของเราเราอยากกลับไปทำหลายสิ่งหลายอย่างที่เราไม่มีโอกาสได้ทำในตลอดเวลาที่เราเป็นโรคอยู่ฉะนั้นคนหลังคนทั้งเก้าคนเนี่ยเขาอาจจะรีบกลับไปไปบอกกับครอบครัวของเขาว่าเขาหายโรคแล้ว และอาจจะมีการเฉลิมฉลองกันในครอบครัวอาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาจาเป็นที่จะต้องจัดการให้เรียบร้อยในระหว่างที่เขาไม่ได้อยู่ที่บ้านและเขาอาจจะนึกเลยว่าเมื่อเขาหายแล้วเดี๋ยวเขาค่อยกลับมาขอบคุณพระเจ้าก็ได้และเขาก็ยุ่งอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นยุ่งอยู่กับความตื่นเต้นยุ่งอยู่กับความดีใจที่โรคของเขาได้รับการรักษาให้หาย และการที่รู้สึกว่าอยากจะกลับมาขอบคุณคนที่รักษาเขามันก็อาจจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่เขาคิดถึงมันง่ายมากที่เราจะหลงอยู่ในพระคุณของพระเจ้าเพราะชีวิตบางครั้งมันเต็มไปด้วยพระคุณแต่การที่บางครั้งเราเต็มไปด้วยพระคุณอาจจะทำให้เราหลงลืมว่าพระคุณนั้นมาจากที่ไหน และบางครั้งพะคุณต่างๆเ่านั้นที่มันเต็มอยู่ในชีวิตของเราเนี่ยมันอาจจะทำให้เรายิ่งห่างไกลจากพระเจ้ามากขึ้นมีเพื่อนสองคนมีโอกาสเจอกันในระหว่างทางที่กลับบ้านเจอกันอยู่ตามถนนได้ไมมีโอกาสแวะทักทายกันเพื่อนคนหนึ่งมองเห็นเพื่อนของตัวเองใบหน้าเศร้าหมองดูเหมือนมีความทุกข์ใจเกิดขึ้นในชีวิตก็เลยสอบถามว่าเกิดอะไรขึ้นนะคุณทำไมดูหน้าตา รู้สึกเศร้าหมองขณะ น, นี้เขาก็บอกว่าเมื่อสามสัปดาห์ที่แล้วลุงของฉันเสียชีวิตแล้วเขาก็ทิ้งเงินเอาไว้ให้ฉันสี่หมื่นเหรียญเพื่อนเมื่อได้ยินก็ตออ ก, ก็ถามกลับไปโห้มันก็เป็นเงินมากอยู่ทีเดียวทําไมใบหน้าของคุณมันยังโศกเศร้าคุณได้รับเงินตั้งสี่หมื่นเหรียญเพื่อนก็ตอบว่าและเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วญาติของผมคนหนึ่งก็เสียชีวิต เป็นญาติที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่เขาเนี่ยทิ้งเงินเอาไว้ให้ผมแปดหมื่นห้าพันเหรียญเพื่อนคนนี้ก็กโหคุณ น, นี่เป็นคนที่โชคดีมากเลยเพื่อนก็พูดต่อไปว่าคุณไม่เข้าใจหรอกอาทิตย์ที่แล้วป้าของผมก็เพิ่งจะเสียชีวิตไปทิ้งมรดกเอาไว้ให้ผมเนี่ยครึ่งล้านเพื่อนคนที่ได้ฟังก็เริ่มสับสนแล้วว่า ผมเลิมไม่เข้าใจแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคุณคุณได้รับมรดกตั้งเงินตั้งยัมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคุณเพื่อนคนนี้ก็ตอบว่าแต่ดูสิอาทิตย์นี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยไม่ได้เงินเลยสั ก, กบาทเดียวปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราได้อะไร แต่ปัญหามันอยู่ที่เราได้บางสิ่งบางอย่างจนเกิดความเคยชินแม้ว่าสิ่งเหล่านั้นมันจะเป็นของขวัญก็ตามแต่มันได้จนชินแล้วก็เกิดความคาดหวังเมื่อได้มาตลอดก็คาดหวังว่าเราน่าจะได้อะไรอีกมันเกิดความทุกข์ใจเพราะว่าสิ่งที่คาดหวังมันไม่เป็นไปอย่างที่หวังเอาไว้ สิ่งที่เคยได้มันไม่ได้เหมือนกับที่เคยได้ทุกวันการที่เรามีบ้านสวยๆยอยู่มีความสะดวกสบายในชีวิตหรือการที่เรามีสุขภาพที่ดีมีอาหารที่รับประทานมีน้ําสะอาดบริโภคมีอาชีพการงานที่ดีมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นความเคยชินที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราแต่ความทุกข์ยากบางอย่างมันอาจจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราก็ได้ ความสะดวกสบายบางอย่างที่เคยเกิดขึ้นในชีวิตของเรามันอาจจะถูกลดทอนไปตามวันเวลาหรือมีบางอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราในบางช่วงเวลาของชีวิตและสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันอาจจะทําให้เราเกิดความสงสัยว่าเมื่อมีความทุกข์ยากบางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตของเราเราอาจจะเกิดความสงสัยว่าพระเจ้าอยู่ที่ไหนทําไมพระเจ้าปล่อยให้สิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นในชีวิตของเราทําไมพระเจ้าอนุญาต ให้มันเกิดขึ้นในชีวิตของเราได้พระเจ้าลืมเราไปแล้วหรือเปล่าบางครั้งเราก็หลงอยู่ในพระคุณของพระเจ้าแล้วลืมไปว่าความยากลาบากที่เกิดขึ้นในชีวิตปัญหาบางอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตมันอาจจะเป็นพระคุณบางอย่างก็ได้มันอาจจะเป็นบททดสอบความเชื่อของเราเพื่อให้เราโตในความเชื่อเพื่อให้เราเรียนรู้ที่จะเข้าใจน้ําพระทัยของพระเจ้ามากขึ้น ปัญหาความลำบากและความทุกยากที่พระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นมันอาจจะเป็นพระพรบางอย่างให้เราที่จะระมัดระวังที่เราจะไม่หลงอยู่ในพระคุณหลงอยู่ในพระพรจนลืมพระคุณของพระเจ้าสุภาษิตจีนบอกว่าชีวิตเหมือนกับลูกตุ้มเมื่อมันเหวี่ยงไปจนถึงที่สุดแล้วมันก็จะเหวี่ยงกลับมาในจุดที่ต่าสุดได้เสมอเมื่อมีความสุข มีความเจริญมากก็อย่าไปหลงอยู่กับมันอย่าประมาทเพราะว่าชีวิตมีโอกาสที่จะอยู่ในจุดที่ต่ำสุดได้เช่นกันและเมื่ออยู่ในจุดที่ต่ำสุดก็อย่าไปท้อเพราะว่าชีวิตมันก็มีโอกาสที่จะกลับสู่จุดที่สูงสุดได้เช่นเดียวกันในบ้านพีบอกว่ามีเพียงหนึ่งคนที่กลับมาหาพระเยซู ฝ่ายคนหนึ่งในพวกนั้นเมื่อเห็นตัวหายโรคแล้วก็กลับมาสันเสริญพระเจ้าด้วยเสียงดังและกราบลงที่พระบาทพระเยซูโมทนาพระคุณของพระองค์คนนั้นเป็นชาวสมาเรียคนที่เป็นโรคเรื้อนอย่างที่ข้าพเจ้าได้กล่าวไปแล้วข้างต้นว่ามันเป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นในร่างกายแต่ความทุกข์ที่มากกว่าแค่ทุกข์จากร่างกาย มันคือความทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตใจโดยการที่เขาถูกตัดขาดจากสังคมและยิ่งสำหรับคนสมาเรียมันเป็นความรู้สึกว่าเขาถูกตีค่าว่าเป็นคนที่ไม่สะอาดอยู่แล้วการที่เขาได้รับการรักษาให้สะอาดมันเหมือนการชุบชีวิตของเขาให้ฟื้นขึ้นมาใหม่ทั้งทางกายภาพทางสังคมทงางศาสนาและทาง จิตวิญญาณการหายโรคของเขามันนําชีวิตของเขากลับมาใหม่กลับเข้ามาเป็นสมาชิกในชุมชนอีกครั้งหนึ่งและเขาได้รักษาเขาได้รับการรักษาจากคนยิวที่โดยปกติแล้วไม่แม้แต่จะมองหน้าเขาเลยด้วยซ้าและเมื่อเขากลับมาเขาสรรเสริญพระเจ้า ฝ่ายคนหนึ่งในพวกนั้นเมื่อหายโรคแล้วกลับมาสันเสริญพระเจ้าและกราบลงที่พระบาทพระเยซูโมทนาพระคุณของพระองค์คนนั้นเป็นชาวสมารียฝ่ายพระเยซูตรัสว่ามีสิคนหายมิใช่หรือแต่เก้าคนนั้นอยู่ที่ไหนไม่เห็นผู้ใดกลับมาสันเสริญพระเจ้าเว้นแต่คนต่างชาติคนนี้แล้วพระองค์ตรัสกับคนนั้นว่าจงลุกขึ้นเถิด ความเชื่อของเจ้าได้กระทำให้ตัวของเจ้าหายเป็นปกติชาวสมาเรียคนนี้กลับมากราบลงที่พระบาทพระเยซูโมทนาพระคุณของพระเยซูที่ได้รักษาเขาแล้วพระเยซูถามเขาว่ามีสิบคนไม่ใช่หรอที่หายแต่มีแค่คนเดียวที่กลับมาทั้งสิบคนก็มีชีวิตอยู่เหมือนกัน เผชิญความทุกข์ที่คล้ายคืองกันอยู่ในบริบทแบบเดียวกันได้รับการรักษาโรคด้วยวิธีเดียวกันแต่มีเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นที่สํานึกในพระคุณชาวสมารียคนนั้นไม่ได้เพียงแค่กล่าวคําว่าขอบคุณแต่เขากราบลงที่พระบาทของพระเยซูเขาแสดงออกด้วยภาษากายของเขาว่าเขาสํานึกในพระคุณของพระเจ้า และสิ่งที่พระเยซูตัดกับเขาคือความเชื่อของเจ้าทาให้เจ้าหายเป็นปกติในสายพระเนตรของพระเจ้าพี่น้องคิดว่าพระเจ้าจะพอพระทัยคนกลุ่มไหนมากกว่ากันใครที่ได้รับการสัมผัสและได้รับการรักษาจากพระเจ้าอย่างแท้จริง ใครที่แสดงออกถึงความศรัทธาของเขาที่มีต่อการรักษาของพระเจ้าโรคเรื้อนก็เปรียบเสมือนกับความบาปที่มันติดอยู่ในชีวิตของเราเราทุกคนต่างมีความบาปต่างมีโรคบางอย่างในชีวิตของเราเราทุกคนก็มีชีวิตที่แปดเปื้อนไปด้วยความบาปทั้งสิ้นเราก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นมนทินเช่นเดียวกันและวันหนึ่งเมื่อเราร้องขอพระเมตตาจากพระเจ้า แล้วพระเจ้าส่งพระเยซูคริสต์เข้ามาในโลกมาเพื่อเป็นของขวัญที่ประเสริฐที่สุดมาเพื่อจะแตะต้องชีวิตของเรามาเพื่อที่จะรักษาโรคของเราให้หายและให้เราได้รับการรักษาจากพระเจ้าการเสด็จมาขององค์พระเยซูคริสต์เจ้ามีเป็นพันธกิจที่ยิ่งใหญ่คือการรักษาโรกของมนุษย์ จากความบาปของเขาไทยชีวิตของเขาสู่ความรอดและได้รับการคืนดีกับพระเจ้าพี่น้องที่รักขอให้เราได้มีโอกาสไครควรชีวิตของเราเองเปรียบเทียบว่าตัวของเราเป็นเก้าคนที่ร้องขอพระเมตตาจากพระเจ้าเมื่อมีความทุกข์และเมื่อได้รับการรักษาเราก็เดินจากไปพร้อมกับความสุขที่มีอยู่และก็หลงลืมไปว่าพระคุณต่างๆเหล่านั้น มาจากใครหรือเราจะเป็นหนึ่งคนนั้นเมื่อได้รับการรักษาแล้วเราเดินทางกลับมามาอยู่ที่เบื้องพระบาทของพระเยซูสัรเสริญพระเจ้าโมทนาพระคุณของพระองค์และมีความตั้งใจที่จะมีความเชื่ออย่างมั่นคงและเดินตามน้ำพระทัยของพระเจ้าหากเราปากหนาที่จะเป็นหนึ่งคนนั้นที่ได้อยู่ที่เบื้องพระบาทของพระเยซู และให้พระองค์บอกกับเราว่าความเชื่อของเจ้าทำให้เจ้าหายเป็นปกติขอพระเจ้าจะอวยพรพี่น้องและให้เรามีความตั้งใจและมีความปรารถนาที่จะอยากเป็นคนนั้นที่อยู่ที่เบื้องพระบาทของพระเยซูและให้ความเชื่อของเรานั้นได้เจริญเติบโตขึ้นเต็มเปลี่ยนไปด้วยพระคุณและความรักของพระเจ้าขอพระเจ้าหอหร